บัดนี้จึงกล่าวว่าพระมหาบุรุษนั้นทรงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วแลทรงแสดงธรรมแก่เทวดาพร้อมทั้งนรารชนทั้งหลายทรงให้สัตว์ทั้งหลายบรรลุโดยในต่างๆเหตุนั้นแหละพระองค์จึงปรากฏว่าเป็นที่พึ่งในสามภพเทวดาและพรหมเหล่านั้นได้แล้วซึ่งแสงสวาง่างแห่งคำแน่แท้ได้เห็นได้บรรลุ และได้รู้สัจจะได้ข้ามพ้นจากราคะโทสะและโมหะแล้วพากันยกย่องว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐกว่าพระราชามุนีผู้ประเสริฐกว่านรชนประเสริฐกว่าเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ผู้สะอาดผู้ประเสริฐกว่าพรหมผู้ทรงนำไปซึ่งบาปของพระองค์ผู้ทรงนำไปซึ่งบาปของคนอื่น ผู้ทรงกระทําความเจริญแก่พระองค์ผู้ทรงกระทําความเจริญแก่ผู้อื่นพระคุณเก้าประการมีอรหันตคุณเป็นต้นอันไพ่บู์ปราศจากมนทินอันหมู่มนุษย์เทพและพรหมทั้งหลายกล่าวแล้วเต็มท้องฟ้าและแผ่นดินแทนไปแล้วในหมู่ไตรเทศและไตรภพทั้งสิน้นเพราะพระพุทธคุณอันบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์กว่ามีพระคุณ ที่ไม่พึงคิดเป็นต้นคือเป็นอจินไตยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเหล่านั้นใดทั้งหมดอันท่านย่อเข้าในบทก้าบทโดยสังเขปบัดนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวคุณมีพระอรหันตคุณเป็นต้ น, ห น, น, น, นเหล่านั้นในคาถาเหล่านั้นคําว่าเอวังอย่างนี้ในคําว่าเอวังหิพุทธตตมุปาคโตโส พระมหาบุรุษนั้นทรงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วแลใช้ในอัดว่านิทัสนะศัพท์ว่าหิแลใช้ในอัดว่าอวัธารณะเพราะฉะนั้นพระมหาบุรุษนั้นทรงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าคือพุทธภาวะได้แก่พระสัพพัญยุตยานโดยประการที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วอย่างนี้นั่นเทียว คำว่าสนารามารานังเทวดาพร้อมทั้งนรชนทั้งหลายได้แก่แก่เทวดาทั้งหลายกับนรชนทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งแก่นรชนและเทวดาทั้งหลายรวมถึงนาครุษยักษ์กนธันและกุมพันธ์เป็นต้นด้วยอมระศัพท่านรวมเอาแม้พรหมด้วยคำว่านานานะ เยนาพิสเมสิสเตเตทรงให้สัตว์ทั้งหลายบรรลุโดยในต่างๆพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมมีขันและอุสนเป็นต้นรวมลงในธรรมทั้งหลายมีขันเป็นต้นโดยในสี่นี้คือเอกัตตันในที่มีความเป็นอันเดียวกันนานัตตัยในที่มีความต่างกันอภพยาปาละัย ใ, ในไม่มีความขนกาย เอวังธรรมตาในในมีความเป็นธรรมดาอย่างนั้นโดยอาการม่ใช่น้อยโดยในม่ใช่น้อยก็บุคคลใดรู้เฉพาะทำที่พระองค์ทรงแสดงแล้วโดยอาการใดทรงแสดงธรรมโดยอาการนั้นๆชื่อว่าทรงให้สัตว์ทั้งหลายมีประการที่กล่าวแล้วบรรลุแล้วคือทรงให้ถึงอภิสมัยได้แก่การบรรลุมรรคผลอันเป็นโลกุตระ คำว่าตัสมาหิขยาโตติพระเวตุนาโถเหตุนั้นแหลพระองค์จึงปรากฏว่าเป็นที่พึ่งในสามภพได้แก่ด้วยเหตุนั้นพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลกปรากฏแล้วสำเร็จแล้วได้แก่มีชื่อเสียงแพร่ไปในสามภพคือมนุษย์เทวดาและพรหมในสิทธิสหสีโลกาธาตุทั้งสิน้นก็คือหมื่นจักรวาล น, น, นั่นเอง พระพุทธรกิจตาจารย์รั้นแสดงอาการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมอย่างนี้บัดนี้เมื่อจะแสดงการที่สัตว์เหล่านั้นรู้สัจจะจึงกล่าวว่าอัต ธ, ธาลัทธาได้แล้วแน่แท้เป็นต้นในคาถานั้นคําว่าอัต ธ, ธาแน่แท้ความว่าไม่พลาดการปฏิบัติโดยส่วนเดียวบทว่าลัทธาได้แล้ว คือได้รับแล้วคำว่าธรรมมาโลกังแสงสว่างแห่งธรรมความว่าพวกเทวดาและพรหมไปตามแนวแห่งเทศนาได้ความสว่างสวยแห่งญาณอันกระทําให้แจ้งสัจจะสีคือทุก์สมุทยัยนิโรธและมรดโดยส่วนเดียวคำว่าดิษฐาปัตตายาตาสัจจังได้เห็นได้บรรลุและได้รู้สัจจะ ความว่าเห็นสัจจะสี่เหมือนเห็นรูปด้วยในตาบรรลุแล้วเหมือนตกอยู่ในฝ่ามือรู้แล้วด้วยญาณคําว่าตินนาข้ามพ้นได้แก่ข้ามพ้นจากกิเลสทั้งหลายมีราคาเป็นต้นข้อว่าโถเมสูงเตเดวะรัมมาเทวดาและชมเหล่านั้นพากันยกย่องความว่า เทวดาทั้งหลายและพรมทั้งหลายเหล่านั้นผู้บรรลุธรรมพิสมัยอย่างนี้คำนั้นเป็นคำกล่าวถึงผู้สูงสุดอธิบายว่ามนุษย์นาคครุฑยักษ์และคนทันเป็นต้นก็พากันยกย่องแล้วมีอธิบายอีกว่าท่านเหล่านั้นได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลองสู่ธรรมแล้วข้ามพ้นวิจิกิจฉาแล้ว ปราศจากการกล่าวว่าอย่างไรแล้วไม่มีผู้อื่นเป็นปัจจัยแล้วพากันยกย่องแล้วในสถานที่ที่ไปแล้วในาศาสนาของพระาศาสดาจึงอย่างนั้นมีอธิบายว่ายกย่องแล้วโดยในเป็นต้นว่าพระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจา้าพระองค์ทรงเป็นพระาศาสดาพระองค์ทรงเป็นพระมุนีผู้ครอบนำมารพระองค์ทรงตัดอนุสัยทั้งหลายข้ามพ้นแล้ว ทรงช่วยพาหมูสัตว์นี้ให้ข้ามพ้นพระองค์ทรงล่วงเลยอุปธิทั้งหลายแล้วพระองค์ทรงทำลายอาสวัตทั้งหลายแล้วพระองค์ทรงเป็นดุษฎีหะไม่ทรงมีอุปาทานทรงละความกลัวภัยได้แล้วพระองค์ทรงเป็นพระสาสดาทรงเป็นยอดธงทรงเป็นธงชัยทรงเป็นนายฝูงทรงเป็นผู้ไม่มีผู้ยิ่งกว่าทรงเป็นผู้นำไปข้างหน้าทรงเป็นที่พึ่ง ทรงเป็นดุจประที่และทรงเป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์สองเท้าดังนี้บัดนี้พระพุทธรักษิตาจารย์เมื่อจะแสดงอาการชมเชยของท่านเหล่านั้นจึงกล่าวว่ามุนิราชาวโรผู้ประเสริฐกว่าพระราชามุนีเป็นต้นคำนั้นอธิบายง่ายทั้งนั้น บัดนี้พระพุทธรคิตาอาจารย์เมื่อแสดงคุณของพระอรหันต์เป็นต้นก้าประการจึงกล่าวว่าสนะรามระบรัมขเนหิรุตาหมู่มนุษย์เทพและพรมทั้งหลายกล่าวแล้วเป็นต้นในคาถานั้นคำว่ารุตากล่าวแล้วคือบอกแล้วคำว่านวทาเก้าประการได้แก่เก้าชนิด คำว่าวัุธาแผ่นดินคือพื้นปฐพีพระพุทธรกิคตาจารย์แสดงโลกมนุษย์ด้วยคำว่าวัฏธานั้นคำว่าขณานท้องฟ้าคือในอากาศพระพุทธรกิคตาจารย์แสดงเทวโลกและพรหมโลกด้วยคำว่าคนเนนั้นคำว่าขหานาได้แก่กล่าวแล้วไม่มีหยุดด้วยหัวข้อแห่งพระคุณทั้งหลายมิใช่น้อย คำว่าส ก, กาเลทั้งสิ้นคือในสิบสหสีโลกธาตุคำว่าติวิเดในหมู่ไตรเทพคือในเทวโลกคำว่าติพเวไตรพบคือในภพสามได้แก่มนุษย์เทวดาและพรหมในโลกธาตุหนึ่งหนึ่งดูดน้ำมันที่เขารดลงบนพื้นมหาสมุทรคำว่าวิตตาแผ่ไปแล้ว คือเรียงรายแล้วทั่วไปบัดนี้เพื่อจะกล่าวพระคุณมีอรหันตคุณเป็นต้นเหล่านั้นพระพุทธรักขิตาจารย์จึงกล่าวเหตุว่าเยปิตเ ต, ตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเหล่านั้นใดเป็นต้นในบรรดาพระพุทธคุณเหล่านั้นพระพุทธคุณที่ไม่พึงคิดไม่พึงรู้ไม่พึงเปรียบเทียบไม่พึงกล่าว ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเหล่านั้นแม้ใดมีอยู่คำว่าสุทธาติสุทธะตระพุทธคุณาหิสับเบพระพระพุทธคุณอันบริสุทธยิ่งกว่ายิ่งยิ่ ง, งบริสุทธกว่าทั้งหมดอธิบายว่าบริสุทธกว่าสิ่งที่บริสุทธยิ่งกว่าความบริสุทธท่านกล่าวไว้ว่าทองคาหรือแก้วมณีอันเป็นอวิญญา ณ, ณกาศทรัพในโลก ที่นายช่างหลอมหลายครั้งทำให้บริสุทธิ์ชาวโลกสมมุติกันว่าเป็นของบริสุทธิ์ในโลกพรหมที่อยู่ในชั้นสุทธาวาสทั้งหลายบริสุทธิ์กว่านั้นพระสารีบุตรและพระโมคขรารนะเทระเป็นต้นบริสุทธิ์กว่าพรหมที่อยู่ในชั้นสุทธาวาสเหล่านั้นพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายที่รู้แจ้งสัจจะด้วยสยมภูยานบริสุทธิ์กว่าพระสารีบุตรและพระโมกานะเป็นต้นนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวบริสุทธิ์กว่าพระปัเจกับพุทธเจ้าตั้งร้อยรูปหรือว่าพันรูปนั้นใครๆที่จะบริสุทธิ์กว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นย่อมไม่มีเลยทั้งในบัดนี้ในอดีตหรือว่าในอนาคตในคำนั้นหิสักใช้ในอัตว่าเหตุอธิบายว่าเพราะเหตุที่เกียรติคุณของพระพุทธเจ้า ที่ปรากฏแล้วเป็นอนเนกประการอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในติบสหั ส, สีโลกธาตุรวบรวมย่อดกล่าไว้ใส่ในบทเก้าประการด้วยอำนาจชาติว่าอิติปิโสพะคะวาอารหังสัมมาสัมบุทโท็ความละแม้เพราะเหตุนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้า พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองเป็นต้น แม้เมื่อเป็นเช่นนี้บัดนี้เป็นบุญของเราเราจะกล่าวพระคุณเหล่านั้นโดยอาการหนึ่งด้วยความเอ็นดูและด้วยความอนุเคราะห์ผู้ฟังทั้งหลายพระพุทธรกิตาอาจารย์เมื่อจะแสดงพระคุณมีอรหันตคุณ9ก้าประการเป็นต้นที่ตนปฏิญญาและวว่าเราจะกล่าวอย่างนี้ตั้งแต่การเสด็จอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจา้าจึงกล่าวว่า ฝ่ายพระมหาบุรุษนั้นทรงเกิดในโลกนี้ทรงเป็นผู้ไกลาจากกิเลสปราศจากความหวังตัดสู้พร้อมเฉพาะโดยชอบทรงมีจักรสุรอบคอบทรงก้าวล่วงโอคะด้วยวิชาและจารณะที่ทรงทำให้สมบูรณ์แล้วสเสด็จไปแล้วโดยชอบสเสด็จไปดีแล้วทรงปราศจากการกำหนดแล้วพระมหาบุรุษนั้นทรงทราบโลกนี้และโลกอื่น ทรงเป็นสารถีที่ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าในตัดที่ควรฝึกได้ได้ทรงกระทำกิจของพระศาสดาผู้ประเสริฐแก่ตัดพร้อมทั้งเทวดาทั้งหลายทรงเป็นผู้ตื่นแล้วทรงเป็นผู้มีโชคทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ในคาถานั้นจะอักษรในคำว่าโสจะฝ่ายนั้นทรงเนื้อความที่วิเศษพระมหาบุุรนั้น ผู้มีคุณอันเทวดาและพรหมทั้งหลายชมเชยแล้วคําว่าอิทชาโตทรงเกิดแล้วในโลกนี้คือทรงกําเนิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระพุทธรกษีตาจารย์แสดงอะไรด้วยบทนั้นพระพุทธรกษีตาจารย์จึงกล่าวว่าโสจีทชาโตพระมหาบุรุษนั้นทรงเกิดแล้วในโลกนี้เพื่อจะแสดงเนื้อความนี้ว่า พระมหาบุรุษนั้นมีพระคุณอันเทวดาและพรหมทั้งหลายชมเชยแล้วมิได้ทรงเป็นเทวดาหรือเป็นเท้าสักกะเป็นมารหรือเป็นพรหมพระองค์ทรงอาศัยพระเจ้าสุดโททนะทรงประสูติจากพระคันของพระนางมหามายาเทวีในมนุษยยะโลกนี้คือในกรุงกบิลพัทในมัชชิมะประเทศในชมพูทวีปในจั ก, กรวาล น, นี้อันเป็นจั ก, กรวาลที่เป็นมงคล สำหรับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เมื่อพระองค์ประสูติเทวดาและพรหมทั้งหลายในหมื่นจักรวาลทั้งสิ้นพากันมาทำหน้าที่รับใช้ในขณะทรงประสูติแล้วนั่นเองพระมหาบุุษเสด็จย่างไปเจ็ดกาแล้วทรงบรรลือศีหนาะเพราะประชาชนในชมพูทวีปทั้งสิ้นเทวดาและพรหมในหมื่นจักรวาลรู้ว่าพระมหาบุรุรนั้นเสด็จอุบัติขึ้นแล้วอย่างนั้น ฉะนั้นใครๆไม่พึงสงสัยในพระองค์เลยก็พระมหาปรุตน้นทรงประสูดแล้วอย่างนี้ทรงเสวยสุขในราชสมบัติดุจเทพระบุติเสวยสุขอันเป็นทิพย์ในประสาทสามหลังอันสมควรแก่รดูทั้งสามทรงแสดงทาวะที่ยังไม่สิ้นกิเลสแก่ชาวโลกด้วยกามสขขากากัสุขันลิกานุโยคคือการประพฤตินตนให้พัวพันหมกมุ่นอยู่ในตามสุข ทรงทอดพระเนตรเห็นบุพนิมิตสี่อย่างทรงสดงสิริราชสมบัติออกพนวดแล้วทรงกระทำทุกรกิริยาหกปีทรงแสดงภาวะที่ยังไม่สิ้นกิเลสแก่ชาวโลกด้วยอัตตะกิรัมภานุโยคคือการประกอบตนให้ลำบากเปล่าทรงตริว่าควรปฏิบัติโดยมัชิมาปฏิปทาจึงเสด็จเที่ยวบิธบาทในเสนานิคม ทรงให้พระสรีระอิ่มเอิบแล้วสเสวยข้าวปลายาระสมน้ำนมที่นาสุชาดาถวายในวันวิสาขกุลนัมีทรงพักกลางวันในสารวันนั้นสเสด็จ เ, เข้าไปตู่โคนต้นโพในเวลาเย็นทรงปราบมารวศวตดีทรงกระทำให้แจ้งวิชาสามในสามยามได้เป็นผู้ตัดรูใกลจากกิเลสปราศจากราคะดุจ ด, ดอกบัวบานแล้วด้วยแสงอาทิตย์ ในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นฉะนั้นพระเหตุนั้นพระพุทธรกธิตาจารย์จึงกล่าวว่าอาระหังนิราโสทรงเป็นผู้ไกลจากกิเลสปราศจากความหวังในคำนั้นเพราะคำว่านิราโสคือผู้ปราศจากตัณหาแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเป็นผู้ไกลจากกิเลส เพราะทรงห่างไกลจากอาสวะทั้งปวงเพราะกำจัดค้าศึกคือกิเลสและเพราะหักซี่กรรมแห่งสังสาระจักรเพราะไม่ทรงทำบาปในที่รับและเพราะทรงเป็นผู้สมควรแก่การบูชาอย่างวิเตพราะผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าปราศจากปัญหาแล้วทรงเป็นผู้ไกลจากกิเลสอย่างนี้เพื่อจะแสดงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระองค์นั้น ทรงชื่อว่ามีสมัญตะจักสุพระพุทธรกธิตาจารย์จึงกล่าวว่าสัมมาภิสัมพุทธะสมัญตะจักขุตัสรู้พร้อมเฉพาะโดยชอบทรงมีจักสุรอบคอบในข้อนั้นมีอธิบายว่าชื่อว่าทรงมีจักสุโดยรอบเพราะทรงแทงตลอดอริยสัจ ส, สีโดยชอบคือโดยการปฏิบัติไม่ผิดจากเหตุ เพราะทรงละความมืดคือโมหะได้แล้วโดยไม่มีตัวเหลือทรงประกอบแล้วด้วยพระสัพพัญยุตยานทรงเป็นผู้สามารถที่จะให้โลกพร้อมทั้งเทวโลกข้ามพ้นครั้นแสดงคุณที่พระมหาบุรุษนั้นได้เฉพาะแล้วอย่างนี้บัดนี้เมื่อจะแสดงกิจคือการยกย่องพระองค์พระพุทธรคิตอาจารย์จึงกล่าวว่าสัมปันนวิชาจรโนคตินโน ทรงก้าวล่วงโอคะด้วยวิชาและจรณะที่ทรงทําให้สมบูรณ์แล้วในคํานั้นถ้าผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงก้าวล่วงแล้วจากโอคะสี่ด้วยวิชาแปดที่สําเร็จแล้วโดยทรงกระทำให้ถึงพร้อมสำเร็จผลบริบูรณ์ไม่ให้หย่อนและด้วยจรณะธรรมสิบห้ามีคําอธิบายที่ท่านกล่าวไว้แล้วอย่างไรมีอธิบายว่า พระมหาบุรุษเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งวิชาด้วยวิชาแปดมีวิปัสสนาญาณเป็นต้นที่ทรงให้สำเร็จแล้วด้วยสัมมาปฏิบัติโดยในที่กล่าวแล้วสเสด็จไปด้วยพระบาททั้งสองได้แก่จรณธรรมสิบห้าที่ทรงแสดงแล้วด้วยคำเป็นต้นว่าสีลังวะลังศีลอันประเสริฐดังนี้ทรงข้ามโอคะสี่คือกามโอคะภวะโอคะ ทิดถิโอคะและอวิชชาโอคะแล้วสเสด็จถึงนครคือพระนิพพานยกสเสวตฉัตรคือวิมุตติขึ้นแล้วได้ทรงเป็นพระธรรมราชาบัดนี้เมื่อจะแสดงความเป็นไปแห่งวิัยของพระธรรมราชานั้นผู้ทรงเป็นอย่างนี้พระพุทธรคิตาจารย์จึงกล่าวว่าสัมมาคโตโสสุขโตพะโตทิ พระมหาบุรุษนั้นเสด็จไปแล้วโดยชอบเสด็จไปดีแล้วทรงปราทุจกาการกําหนดแล้วความว่าเสด็จไปแล้วโดยชอบคือโดยเหตุโดยทำที่ควรรู้เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นต้นเสด็จไปแล้วพระพุทธเจ้าโคดมพระองค์นี้ไม่ทรงปฏิบัติให้คลาดเคลื่อนเสด็จไปแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าเสด็จไปดีแล้ว คำว่าค้าโตทิทรงปราศจากการกําหนดแล้วคือทรงมีการกําหนดอันไปแล้วอธิบายว่าไม่มีการกําหนดโดยคุณหรือโดยวิสัยพระพุทธรกิตาอาจารย์ครั้งแสดงการยกพระองค์ขึ้นแสดงของพระมหาบุรุษอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะแสดงการยกโลกขึ้นแสดงบ้างจึงกล่าวว่าอเวดิโสโลกะมิมังปรัญจ์ พระมหาบุรุษนั้นทรงรู้โลกนี้และโลกอื่นเป็นต้นในคาถานั้นคําว่าอิมังโลกังโลกนี้คือมนุษย์โลกมนุษยสยโลกบทว่าปรังโลกังโลกอื่นคือโลกที่เหลือจากมนุษยสยโลกนั้นอีกอย่างหนึ่งคําว่าอิมังโลกังโลกนี้คือขันธสันดานของพระองค์คําว่าปรังโลกังโลกอื่นความว่า พระมหาบุรุษได้ทรงทราบคือได้ทรงรู้ขันธสันดานของชนเหล่าอื่นได้แก่ทรงรู้อาสยะอนุสัยจริตอธิมุตและความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอาสยะก็หมายถึงความเห็นหรือว่าความรู้ที่สัตว์ยึดอาศัยอยู่อนุสัยก็หมายถึงกิเลสที่ฝังตัวอยู่ในขันธสันดานของสัตว์ที่ยังละไม่ได้ เหมือนกับนอนเนื่องอยู่ในขันธ์สันดานจริต ก, ก็หมายถึงความดีความชั่วที่สัตว์ทมทั้งกายทั้งทางกายทา ง, ท ง, ทงวาจาและก็ทางใจอธิมุตต์ก็หมายถึงอัตยาสายของสัตว์พระพุทธรกษิตาจารย์เมื่อแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้อย่างนี้แล้วจึงทรงเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าจึงกล่าวว่า อนุตโรสารติดัมมะสัตเตทรงเป็นสารติไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าในสัตว์ที่ควรฝึกได้เพิ่งทราบอธิบายในคำนั้นพระมหาบุรุษทรงเป็นสารติไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าคือไม่มีผู้เสมอในสัตว์ที่ควรฝึกคือในวิสัยของสัตว์ที่ควรแนะ น, นํานี้คืออุคติตัญยูบุคคลวิปัญจิตตัญยูบุคคลเนยยะบุคคล เปรียบเหมือนอาจารย์ผู้สอนฝึกขับรถม้าทั้งหลายเทียมรถแล้วนำไปตูท่ที่ที่ตนปรารถนาแล้วฉันใดพระมหาบรุษรแม้นี้ก็ฉันนั้นทรงฝึกสอนสัตว์ทั้งหลายทำลายความมัวเมาคือมานะเป็นต้นกระทำให้ไม่มีการเสษผิดเอาเชือกคือสติผูกกับแอกคือขันและวิปัสสนาเทียมรถคือสมถะทรงไปถึงพระนครคือนิพพาน เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทรงเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นสารถีอย่างนี้ทรงกระทํากิจของพระศาสดาอันสูงสุดเพื่อมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งเทวดาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคําว่าบุตโธพระพุทธเจา้ามีอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าพุทธะเพราะว่าในเมื่อหมูสัตว์ผู้ที่ตกอยู่ในความหลับคืออวิชชาทรงตื่นลุกขึ้นแล้วก่อนเพราะทรงบรรลุอรหัตตมัคคายานและวิชาชื่อว่าพุทธะเพราะว่าพระองค์ทรงเบิกบานแล้วดุจ ด, ดอกบัวที่เจริญแล้วในสาครคือความมีบารมีสัมผัสแสงพระอาทิตย์คืออรหัตตมัคยานแล้วแย้มบาน ชื่อว่าพระวาเพราะทรงมีภาคยธรรมที่ทรงสั่งสมมากำหนดการสมัยไม่ได้พระพุทธรคิตตาจารย์กล่าวบทสุดท้ายว่าวิสุทธโธ ท, ทรงเป็นผู้บริสุทธ์เพราะกล่าวถึงความบริสุทธิ์ด้วยบทกลาวบทด้วยประการชนิษฐ์สำหรับคำว่าอุคติตัญยูบุคคลก็คือบุคคลที่พอท่านยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงก็บรรลุธรรมได้ วิป จ, จิตตัญญบุคคลก็คือบุคคลที่เมื่อท่านอธิบายความข้อธรรมที่ยกขึ้นแสดงก็บรลุธรรมส่วนเนยยะบุคคลคือบุคคลที่บรรลุธรรมได้ในเมื่อฟังธรรมสอบถามคําอธิบายนําไปนึกทบทวนเข้าพบคบหากัลยาณมิตรจึงจะบรรลุได้คําว่าภาคยัธรรมก็คือธรรมที่นําพาผู้ปฏิบัติไปถึงฝั่งเช่นทานศีลที่ทําตุกอันเป็นโลกิยะ และโลกุตระให้บังเกิดในข้อนั้นมีพระบารีว่าพระตถาคตจอมเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ตัดสรุ้ชอบโดยพระองค์เองเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ก็แลพระโคดมผู้เจริญนั้นมีกิตติศัพ์อันงามอย่างนี้ขจรไปว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอระหันต์ตัดรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจา้าเป็นผู้มีพระภาค ในพระบาลีนั้นท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าคําว่าอิทะในโลกนี้คือในสัตวะโลกนี้คําว่าตถาคโตพระตถาคตได้แก่ว่าโดยโวหารสัตว์ย่อมเกิดขึ้นถามว่าผู้เป็นเช่นไรตอบว่าผู้เป็นพระอระหันต์ตัดรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบถามว่าพระองค์เสด็จอุบัติขึ้นแล้วเพราะเหตุไรตอบว่าเพื่อเกื้อกูลแก่ชวนเป็นอันมาก คำว่าตังโโคปะณะพระวันตังโโคตมังก็แลพระโคดมผู้เจริญนั้นความว่าพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นผู้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วอย่างนี้คำว่าเอวังกะระยานโนอันงามอย่างนี้คือดีอย่างนี้คำว่ากิติสัตโดกิติสัตคือเสียงประกาศชมเชยคำว่าอภุคโตขจรไป คือแผ่ไปแสนโกรธโลกธาตุทั้งสิ้นจนถึงพรหมโลกถามว่าแผ่ไปอย่างไรตอบว่าแผ่ไปโดยในว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทงเป็นพระอรหันต์ดังนี้เป็นต้นอิตตับในบทนั้นมีความหมายเท่ากับศัพท์ว่าเหตุอ ป, ปิตับมีความหมายว่ารวบรวมคาว่าโสพระองค์นั้นความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านกล่าวไว้โดยในเป็นต้นว่าพระตถาคตพระองค์ใดเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้คําว่าพักว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าความว่าผู้ทรงพาขยะรมคําว่าอิติปิโสพักว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนี้เป็นคําทั่วไปทุกบทเพราะฉะนั้นพึงประกอบแต่ละบทว่าแม้เพราะเหตุนี้ เพราะเหตุแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบอธิบายว่าพระเหตุนี้และเหตุนี้ในกอ้อนนั้นมีอธิบายดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าทรงเป็นพระอรหันต์ด้วยเหตุ5้าประการนี้คือทรงเป็นพระอรหันต์เพราะห่างไกล ทรงเป็นพระอาหารหันต์เพราะกำจัดชาติสึกได้แล้วทรงเป็นพระอาหารหันต์เพราะทรงหักซี่กรรมทั้งหลายทรงเป็นพระอาหารหันต์เพราะทรงเป็นผู้ควรรับปัจจัยเป็นต้นทรงเป็นพระอาหารหันต์เพราะไม่ทรงทําบาปในที่รับในดีกาวิส ธ, ธิมัคแสดงอีกหกในนะมีความเป็นผู้ไกลจากอสัตย์บุตรใกล้กับสัตย์บุตรนะหักอ่ทําลายรนะหัสกิเลส อันเป็นไปในภพแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เป็นผู้ควรแก่การบูชาสุคาระไม่มีที่สิ้นสุดเป็นต้นนะถึงทราบอธิบายในคาเหล่านั้นในคานี้ว่าอาระกะตาอาระหังทรงเป็นพระอรหันเพราะห่างไกลความว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอ์นั้นทรงเป็นผู้ห่างไกล คือดำรงอยู่ในที่ไกลแสนไกลจากกิเลสทั้งหลายเปรียบเหมือนฟ้าอยู่ไกลจากแผ่นดินแผ่นดินก็อยู่ไกลจากฟ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉันั้นทรงดำรงอยู่ไกลจากกิเลสมีราคะเป็นต้นกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นก็อยู่ไกลแสนไกลจากพระผู้มีพระภาคเจ้า แ, แล้วเพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่ง ทรงชื่อว่าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสเพราะเหตุที่พระองค์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิเลสไม่ทรงเกี่ยวข้องกับโทษทั้งหลายเหตุนั้นจึงทรงชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ก็เพราะเหตุที่พระองค์ทรงละกิเลสทั้งหลายมีความโลภเป็นต้นด้วยเหตุนั้นๆมีทานเป็นต้นตั้งแต่ทรงตั้งปณิธานไว้ประทรับนั่งบนอปปราชิตบัลลังก์ทรงเอาชนะข้าศึกคือมารทั้งห้าเช่นั้น จึงชื่อว่าพระอระหันต์เพราะทรงกำจัดข้าศึกทั้งหลายได้แล้วเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเพราะเหตุที่ข้าศึกแม้ทั้งหมดกล่าวคือราคะเป็นต้นพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งตรงกำจัดได้แล้วด้วยศาตราคือปัญญาฉะนั้นจึงทรงชื่อว่าเป็นพระอระหันต์ทรงชื่อว่าเป็นพระอระหรันต์เพราะทรงกำจัดสี่กรรมทั้งหลายเสียได้ คาที่ขันธาตุอายตนะเป็นไปตามลำดับไม่ขาดสายท่านเรียกว่าสังสาระอวิชชาเป็นดุมเพราะเป็นมูลเขาแห่งวงล้อแห่งปฏิจจสมุปบาทในสังสาระที่กล่าวแล้วชราและมรณะเป็นกรงรถเพราะเป็นที่สุดชื่อว่าสี่กรรมสิบอย่างคือสังขารวิญญาณนามรูปสรายตนะ อัศวเวทนาตัณหาอุปาทานพบและชาติเพราะท่านกล่าไว้แล้วในถามกลางพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงประทับนั่งทิโพทิบันลังประทับยืนบนแผ่นดินคือศีลด้วยพระบาทคือวิริยะทรงกำจัดสีกรรมทั้งหมดด้วยดาบคือยานอันกระทำความสิ้นไปแห่งกรรมด้วยพระหัตคือศรัทธาฉนั้นจึงชื่อว่าเป็นพระอรหรันต เพราะทรงหักสี่กรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเพราะเหตุที่พระโลกนาถพระองค์นั้นทรงทำลายสี่กรรมแห่งสังสารจักรทรงทำลายสี่กรรมแห่งสังสารจักรด้วยดาบคือยานพระองค์จึงถูกขนานพระนามว่าพระอรหันต์ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมควรซึ่งการบูชาพิเตศเหตุนั้นจึงทรงชื่อว่าพระอรหันต์ ดังนั้นพึงทราบคําอธิบายในเรื่องนี้เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าทีปังกรทรงพยากรสุมเมธาดาบทผู้ศรัทตนนอนลงบนหลังเปลือกตมว่าจะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแล้วทรงบูชาด้วยดอกไม้แปดกมทรงประทัดศีลแล้วสเสด็จหลีกไปก็เมื่อพระพุทธเจ้าทีปังกรทรงกระทําแล้วอย่างนั้นพระขีนาตกสี่แสนรูป ประชาชนทั้งหมดเทวดาและพรหมที่อยู่ในหมื่นจักรวาลแม้ทั้งสิน้นก็ได้กระทาการบูชาแก่พระองค์หาประมาณมิได้จาเดิมแต่นั้นพระองค์เป็นผู้ควรต่การบูชาในครั้งที่เสด็จเก้าลงถูกพระพันในเวลาประสูตรในเวลาตัดสู้ในเวลาแสดงพระธรรมจักรกับปะวัตนสูตรเทวดาและมนุษย์ทั้งหมดได้กระทาการบูชาอย่างนั้นเช่นกัน พระเจ้าโกสนมหาราชได้ทรงกระรรทำอาสาทิสทานสมบดีมหาพรมได้บูชาด้วยพวง ร, รัตนะเท่าภูเขาสิเนรุก็จะกล่าวอะไรถึงการบูชาวิเศษของเทวดาและมนุษย์เหล่าอื่นพระเจ้าอาโศกธรรมราชารับสั่งให้สร้างพระวิหาร 84,000 หลังในชมพูทวีปทั้งสิน้นได้กระทำการบูชาโดยวันเดียวกันแลอุทิศพระผู้มิพระภาคเจ้า แม้ทรงปริณิพานแล้วไม่มีคําที่จะพึงกล่าวในการบูชาวิเศษที่บุคคลกระทําอยู่แห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตราบเท่าจนถึงทุกวันนี้แม้บุคคลใดถือทายคำหนึ่งโรยลงที่ลานพระเจดีย์บุคคลใดถือประทีปดวงหนึ่งหรือมาลัยพวงหนึ่งก็หรือบุคคลใดประคองอัญเชิีเหนือศรีรษะด้วยทั้งจิตที่เลื่อมใสแล้วเหล่านั้นทั้งหมด ได้แล้วและย่อมได้สวรรค์หรือความหลุดพ้นฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชื่อว่าพระอรหันต์เพราะทรงควรซึ่งการบูชาที่วิเศศด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเพราะเหตุที่พระโลกนาถพระองค์นี้ย่อมควรซึ่งการบูชาวิเตศพร้อมทั้งปัจจัยทั้งหลายอันสมควรแก่ความเป็นพระอรหันต์ในโลกฉะนั้นพระชินเจ้า จึงชื่อว่าย่อมควรซึ่งการบูชาวิเศษนั้นเพราะเหตุที่คนพาลทั้งหลายถือตัวว่าตนเป็นบัณฑิตในโลกแต่ก็ยังทําบาปทั้งหลายในที่ลับเพราะกลัวเสียชื่อเสียงพระโลกกนธาต น, นหาเป็นอย่างนั้นไม่ฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์เพราะไม่ทรงทาบาปในที่ลับดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า ชื่อว่าความลับในการกระทําบาปไม่มีแก่ผู้คงที่ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงปรากฏว่าเป็นพระอระหันต์เพราะไม่มีความลับในการทําบาปพระมูนีนั้นชื่อว่าไม่มีค่าศึกคือกิเลสเพราะห่างไกลและเพราะทรงกำจัดได้แล้วตรงเป็นผู้หักสี่กรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วและทรงเป็นผู้ควรรับปัจจัยเป็นต้น พระมุนีนั้นย่อมไม่ทรงทาบาปในที่รับจึงเรียกกันว่าเป็นพระอรหันต์ดังนี้วันนี้ก็สมควรแก่เวลาท่านก็ได้รับฟังพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบทว่าอรหันต์แล้วก็จะพรนาพระคุณในบทต่อไปขอให้ท่านได้ศรัทธาปีติประโมทเรื่มใสในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสง์อบรมตนให จเจริญพ่อคูณใหยบูญด้วยไตรศิขาจะได้บรรลุอริยสัจธรรมตามสเสด็จพระาศาสดาแล้วก็พระสาวกทั้งหลายก็ข่ายท่านได้ประสบ ก, กับการพ้นจากวัตทุขได้รับความสุขโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ